วันนี้พวกเราจะมาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กันด้วยการมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนไม่ให้พวกเราปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปโดยไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ กับตัวเราและกับผู้อื่นสรงสั่งก่อนที่จะจากไปว่าจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดความไม่ประมาทก็คือไม่ผัดวันประกันพุ่งทำทันทีทุกเวลาทุกโอกาส ที่มีเวลาว่างที่จะทําได้เพราะเวลานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะว่าถ้าไม่มีเวลาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้จําเป็นจะต้องมีเวลาดังนั้นเมื่อมีเวลาอย่าปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ กระทำสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อตัวเราก่อนแล้วค่อยทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปเบื้องต้นทรงสอนให้ทำประโยชน์ให้กับตนก่อนจงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อม และประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนคืออะไรก็คือการข้ามวัตตะสงสารไปสู่พระนิพพานนั่นเองขณะ น, นี้พวกเราอยู่ในโลกของวัตตะสงสารโลกของการเวียนว่ายตายเกิด โลกของการเกิดแก่เจ็บตายคือโลกของความทุกข์นั่นเองพวกเราควรที่จะสร้างสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกของการเวียนว่ายตายเกิดกับโลกของการไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็คือ พระนิพพานนั่นเองเราอยู่ในโลกของวัตสงสารถ้าเราอยากจะข้ามไปโลกของพระนิพพานเราต้องสร้างสะพานที่จะเชื่อมระหว่างโลกทั้งสองโลกนี้สะพานที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างทรงเรียกว่ามรร มักก็คือทางเดินหรือสะพานนี้เองสะพานที่จะพาให้เราเดินออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดและไปสู่โลกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดโลกที่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีความทุกข์เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดาโลกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นโลกที่ไม่มีความทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านได้เดินไปถึงโลกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านได้สร้างสะพาน และได้เดินข้ามสะพานนี้ไปถึงโลกที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายโลกที่ไม่มีความทุกข์หลังจากนั้นพระองค์และพระสาวกก็เอาความรู้นี้เอาวิธีสร้างสะพานนี้สร้างมรันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ พวกเราที่ยังไม่รู้จักวิธีสร้างสะพานเป็นการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นในเบื้องต้นทรงทำประโยชน์ให้กับพระองค์เองก่อนโดยการสร้างสะพานให้กับพระองค์เองเพื่อที่จะได้ข้ามไปสู่พระนิพพาน หลังจากที่ได้ไปถึงพระนิพพานแล้วก็ส่งกลับมาสั่งมาสอนให้ผู้ที่ไม่รู้จักวิธีสร้างสะพานให้ได้รู้จักกันเพื่อที่จะได้สร้างสะพานเพื่อที่จะได้ข้ามไปสู่พระนิพพานกันนี่คือความหมายของการทำประโยชน์ ของตนก่อนแล้วค่อยทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพราะถ้าเรายังทำประโยชน์ให้กับเราไม่ได้เราจะไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไรถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีสร้างสะพานเพื่อที่จะข้ามไปสู่พระนิพพานเราจะไปสอนผู้อื่นให้สร้างสะพานได้อย่างไรเราต้อง ศึกษาวิธีสร้างสะพานและสร้างสะพานนั้นให้สำเร็จให้ได้ก่อนแล้วพอเราได้ข้ามไปถึงฟากนั้นแล้วเราก็สามารถกลับมาสอนผู้อื่นที่ไม่รู้จักวิธีสร้างสะพานให้เขาได้รู้จักและสร้างและดาเนินข้ามสะพานนั้นไปสู่พระนิพพานกัน นี่คือภารกิจที่เป็นภารกิจที่แท้จริงภารกิจอย่างอื่นนั้นไม่ถือว่าเป็นภารกิจที่แท้จริงหรือสำคัญเพราะภารกิจอื่นๆนั้นจะไม่สามารถที่จะพาให้เราข้ามไปสู่พระนิพพานได้ไม่สามารถนำพาเราให้หลุดพ้นจาก โลกของการเกิดแก่เจ็บตายได้เช่นภารกิจการงานต่างๆที่พวกเราทำกันอยู่เป็นประจำนี้เป็นการย่างชีพไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองทำมาหากินเพื่อให้ได้มีปัจจัยสี่คือที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรค เพื่อที่จะได้ดูแลรักษาร่างกายไม่ให้ตายไปก่อนเวลาอันควรแต่ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความตายของร่างกายนี้ไปได้ถ้าเราทำแต่ภารกิจนี้เพียงอย่างเดียวเราก็จะไม่มีวันที่จะข้ามไปสู่พระนิพพานได้ ไม่มีวันที่จะออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้และนอกจากที่เราเสียเวลาให้กับการทำภารกิจให้กับร่างกายแล้วเรายังถูกความหลงหลอกให้เราไปทำภารกิจให้กับปัญหาความอยากต่างๆที่เป็นตัว ดึงให้เราติดอยู่กับโลกของการเกิดแก่เจ็บตายนี้พระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้พวกเราหยุดทำภารกิจที่จะส่งเสริมให้เราติดอยู่กับ ก, บการเกิดแก่เจ็บตายก็คือการกระทําตามความอยากต่างๆเช่นความอยากในกามเรียกว่ากามตัณหา ความอยากในความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหานี่คือกิจกรรมที่เราไม่ควรกระทำควรจะละกันส่วนกิจกรรมที่สำหรับ หาปัจจัยสี่มาให้แก่ร่างกายนี้ยังเป็นกิจกรรมเป็นภารกิจการงานที่จำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่าร่างกายนี้ขาดปัจจัยสี่ไม่ได้และการสร้างมร์การสร้างสะพานนี้ก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมืออยู่ ถ้าไม่มีร่างกายนี้เช่นถ้าตายไปก็จะไม่สามารถที่จะสร้างสะพานข้ามไปสู่พระนิพพานได้ดังนั้นภารกิจที่เราควรจะกระทำนั้นมีอยู่สองอันภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนภารกิจที่สนับสนุนก็คือ ภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายเราต้องหาปัจจัยสี่มาให้แก่ร่างกายเพื่อที่ร่างกายจะได้เป็นอยู่อย่างปกติสุขเพื่อที่จะสามารถมาทำภารกิจหลักภารกิจที่ต้องทำก็คือการสร้างสะพานข้ามไปสู่พระนิพพานนั้นเอง ภารกิจหลักก็คือมรรคก็คือทางหรือสะพานที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานมรรคที่พระเจ้าทรงสอนให้แก่ข้ารวาดญาติโยมก็คือทานศีลภาวนานี่คือภารกิจหลักการสร้างสะพานเพื่อไปสู่พระนิพพาน สร้างด้วยการทำทานสร้างด้วยการรักษาศีลสร้างด้วยการภาวนาถ้าเราสร้างทานศีลภาวนาได้ครบถ้วนบริบูรณ์เราก็จะมีสะพานข้ามไปสู่พระนิพพานได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปเสียเวลาอันมีค่าไปกับการ าทากิจกรรมตามความอยากทั้งสามคือการมตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาหน้าการหาปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายก็ไม่ควรที่จะทำเกินขอบเขตเกินเหตุเกินผลควรจะทำพอให้ร่างกายอยู่ได้เป็นปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องทำแบบวิจิตพิสดารเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะผลได้เท่ากันเช่นสร้างปราสาทราชวังเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่กับอยู่โคนไม้อยู่ตามเรือนร้างอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอระหรันตสาวกทั้งหลายอยู่กันก็ได้ผลเหมือนกัน ก็คือมีที่หลบแดดหลบฝนอยู่ได้ร่างกายปลอดภัยจากภัยต่างๆอันนี้เราต้องรู <c oughs> ้จักประมาณอย่าไปเสียเวลากับการหาปัจจัยสี่แบบวิจิตรพิสดารแบบหรูหราเกินความจำเป็นเกินความต้องการของร่างกายไป เสียเงินเสียทองเสียเวลาอันมีค่าไปประาะสู้เอาเวลาที่หมดไปกับการหาสิ่งที่วิจิตพิสดารต่างๆเหล่านี้มาให้กับการสร้างสะพานคือสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนากันจะดีกว่าดังนั้นปัจจัยสี่ของผู้ที่มุ่งไปสู่พระนิพพาน จึงควรเป็นปัจจัยสี่ที่ส ม, มถะเรียบง่ายมักน้อยสันโดษอย่าไปวุ่นวายกับการหาปัจจัยสี่จนทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาทำงานหลักคือมาสร้างทานศีลภาวนากันบ้านอาศัยอยู่กันพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอ ถ้าไม่มีเงินทองที่จะซื้อบ้านก็เช่าอยู่ไปก็ได้ขอให้ไปที่หลบแดดหลบฝนได้อาหารก็ไม่ต้องเป็นอาหารที่พิสดารเป็นอาหารที่วิเศษอาหารแบบไหนก็ทำหน้าที่เหมือนกันเป็นยารักษาร่างกายให้อยู่ไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเอง เครื่องนุ่งห่มก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีมากมายมีไว้สำหรับใส่พอประมาณพอต่อความจำเป็นก็พ อ, อยารักษาโรคก็รักษาไปตามอัตภาพตามฐานะมีหลายระดับของการรักษายาก็เหมือนกัน รักษาแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บก็หายเหมือนกันถ้าเป็นโรคที่รักษาได้ถ้าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ก็รักษาไม่ได้เหมือนกันแล้วหนที่สุดก็ต้องตายไปอยู่ดีดังนั้นเราต้องอย่าไปเสียเวลากับการหาปัจจัยสี่ให้มากจนเกินความจําเป็น เกินความต้องการของร่างกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาสร้างสะพานเพื่อไปสู่พระนิพพานกันตอนนี้พวกเราเสียเวลามากไปกับการสร้างปัจจัยสี่และเสียเวลาไปกับการทำกิจกรรมตามความอยากต่างๆเราจึงมีเวลาที่จะมาสร้าง สะพานไปสู่พระนิพพานนี้น้อยมากเช่นต้องรอโอกาสอย่างวันนี้วันอาทิตย์หรือช่วงนี้ช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่องกันถึงห้าวันด้วยกันหรือสี่วันสำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการถึงจะได้มีเวลามาสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนากันสักที ถ้าเป็นอย่างนี้สแสดงว่ามีเวลาน้อยมากที่มีน้อยมากเพราะว่าไปเสียเวลาให้กับการสร้างปัจจัยสี่ไปเสียเวลากับการทำภารกิจตามความอยากต่างๆเราต้องมาลดเวลาให้กับการท ำ, ทำภารกิจต่างๆให้กับความอยาก และลดการหาปัจจัยสี่ควรจะลดการกินการอยู่ของเราให้อยู่แบบสมถะเรียบง่ายอยู่แบบมากน้อยสันโดษเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับกิจกรรมเหล่านี้เพราะมันเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้พาให้เราข้ามไปสู่พระนิพพานกัน แต่จะเป็นกิจกรรมที่จะผูกให้เราติดอยู่กับโลกของการเวียนว่ายตายเกิดกันนี่คือกิจกรรมที่พวกเราควรที่จะรู้จักแยกแยะมีสามกิจกรรมใหญ่ๆกิจกรรมที่สำคัญเราทำกันน้อยคือการสร้างสะพานไปสู่พระนิพพานกิจกรรมที่ต้องดูแลเกี่ยวกับร่างกาย เราก็เสียเวลามากจนเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับผู้ที่บำเพ็ญผู้ที่ทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างสะพานไปสู่พระนิพพานคือนักบวชทั้งหลายเรื่องของปัจจัยสี่ของทางร่างกายนี้เขาจะไม่ได้เสียเวลาให้มันให้ไปกับมันมาก อย่างการรับประทานอาหารก็รับประทานวันละมือ้ออย่างถ้าเป็นพระนี่จะเสียเวลาก็เฉพาะเวลาไปบินทบบาทกลับมาก็เสียเวลากับการรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็เสียเวลากับการนั่งบาทเช็ดบาทถูบาทเวลาทั้งหมดก็ไม่กี่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับภารกิจของเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามมีตามเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆก็ไม่มีจึงไม่ต้องเสียเวลากับ ก, บการไปหาเงินหาทองเพื่อมาจ่ายให้กับค่าใช้จ่ายต่างๆนี่แหละคือการการหาปัจจัยสี่ที่เป็นแบบฉบับ ของผู้ที่ต้องการจะเอาเวลามาสร้างสะพานไปสู่พระนิพพานต้องดูกิจกรรมของพระภิกษุเป็นหลักเป็นตัวอย่างดูกิจกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่ว่าพระพุทธเจ้าทรงหาปัจจัยสี่อย่างไรแบบไหนอาหารก็ทรงบิณฑบาต เครื่องนุ่งห่มก็ผ้าไตรจีวรผ้าสามผืนที่อยู่อาศัยก็ลกขมูลเซนาสนังอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเรือนร้างหรืออยู่ตามกุฏิวิหารที่มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างถวายให้อยู่พระองจะไม่เสียเวลากับการมา ก่อมาสร้างาที่อยู่อาศัยสร้างวิหารสร้างโบสสร้างเจดีอันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ที่จะมาสร้างาสะพานสู่พริภายปล่อยให้ผู้ที่ยังไม่สามารถ สร้างสะพานนี้ได้ให้เป็นผู้สนับสนุนไปก่อนให้เขาได้ทําทานไปก่อนเพื่อที่เขาจะได้มีเวลามาบําเพ็ญต่อไปสำหรับผู้ที่มีเวลาบําเพ็ญแล้วก็จะไม่มาเสียเวลากับเรื่องกิจกรรมของร่างกายมากจนเกินไปยารักษาโรคก็ รักษาไปตามมีตามเกิดมียาสมุนไพรมียาอะไรก็ฉันไปนี่คือการหาปัจจัยสี่การใช้ปัจจัยสี่ของผู้ที่ได้สร้างสะพานข้ามไปสู่พระนิพพานแล้วท่านใช้แบบนี้ท่านอยู่แบบนี้ส่วนกิจกรรมเรื่องการกระทําตามความอยากต่างๆนี้ ท่านก็ตัดไปหมดเลยด้วยการใช้ศีลเป็นกำแพงกัน้นศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยิบเจ็ดนี่มีไว้สำหรับหยุดกิจกรรมการกระทำตามความอยากต่างๆแล้วท่านก็มีเวลาที่จะมาสร้างสะพาน สู่พันิพานกันตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับเลยคือการบำเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสติสมาธิและปัญญาในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเริ่มสร้างสะพานก็จำเป็นที่จะต้องสร้างฐานขึ้นมาก่อนฐานนี้ก็เป็นอุบายหรือเป็นเครื่องมือที่จะามาใช้ในการหยุดกิจกรรม ที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นนั่นเองแทนที่จะเอาเงินทองไปซื้อปัจจัยสี่ที่วิจิตรพิสดาลที่หรูหราก็เอาเงินนี้ไปทำทานเสียเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาใช้ใจ่ายกับ ปัจจัยสี่ที่วิจิตพิสดารถ้าอยู่แบบเรียบง่ายค่าใช้ใจ่ายก็จะน้อยเมื่อค่าใช้ใจ่ายน้อยการที่จะต้องไปหารายได้มาก็ไม่ต้องหามามากก็จะมีเวลาว่างมีเวลามาบำเพ็ญมาปฏิบัติได้นี่คือหน้าที่ของทานมีไว้เพื่อที่จะตัดการ ใช้เงินใช้ทองแบบไม่มีเหตุไม่มีผลใช้เงินใช้ทองตามความหลงตามความอยากแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกิดจากความอยากก็จะไม่ใช้เงินทองไปสนับสนุนเช่นอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ไปเอาเงินที่จะไปใช้กับการไปเที่ยวนี้ไปทำทานเสีย เอาเงินที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไกน่นเอาไปทําทานเสียเอาเงินที่จะไปสนับสนุนภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากจะเป็นสอส อ, อยากจะเป็นอะไรก็ต้องใช้เงินทองต้องหาเสียงต้องอะไรต่างๆมีค่าใช้ใจ่ายถ้าถ้าทํา ตามความอยากแล้วมันก็จะดึงให้เราติดอยู่กับฟากของการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องไม่ใช้เงินสนับสนุนความอยากมีอยากเป็นและไม่ใช้เงินสนับสนุนความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือการเอาเงินนี้มาทำทานไปถ้าไม่มีเงินที่จะไปสนับสนุนความอยากต่างๆแล้ว การที่จะเดินข้ามไปสู่ฝา้าขณิพานก็จะง่ายเพราะไม่มีอะไรคอยเหนี่ยวรัง้งคอยดึงเอาไว้นั่นเองสิ่งที่เหนี่ยวรั้งพวกเราไม่ให้ข้ามไปสู่ขณิพานกันก็คือตันหาความอยากทั้งสามนี้เองความอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตถพภพะความอยากมีอยากเป็นอยากร่าอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโต อยากให้คนเขายกย่องนับถือสรรเสริญเยินรยอและความอยากไม่ให้เขาด่าเราความอยากไม่ให้เขาดูถูกดูแคลเราความอยากไม่ยากจนความอยากไม่อยู่แบบลําบากลําบนความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเหล่านี้เป็นสิ่งที่แล้วเราจะต้องพยายามตัดมันไป โดยไม่ใช้เงินทองในเบื้องต้นตัดเรื่องเงินทองไปก่อนไม่ให้เอาเงินทองมาสนับสนุนความอยากต่างๆเหล่านี้นี่คือหน้าที่ของการทําทานนั่นเองอย่างวันนี้แทนที่ญาติโยมจะไปเที่ยวตามสถานท่องเที่ยวต่างๆญาติโยมก็มาฟังเทศฟังธรรมแทนแล้วก็ แทนที่จะเอาเงินทองที่ไปใช้กับการไปเที่ยวก็เอาเงินทองนั้นมาทำบุญทำทานแทนอันนี้เป็นหน้าที่ของการทำทานเพื่อที่เราจะกาจัดเงินทองที่จะเอาไปใช้ในการสนับสนุนความอยากต่างๆหรือการเอาเงินทองไปใช้กับปัจจัยสี่ที่วิจิตรพิสดารที่หรูหรา ที่ไม่จำเป็นนี่คือเรื่องของเงินทองเราไม่ควรที่จะปล่อยให้มันเอาไปใช้ในทางเหล่านี้เพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์มันเกิดโทษกับจิตใจมันจะดึงจิตใจให้ติดอยู่กับโลกของการเกิดแก่เจ็บตายเราจะทำให้เราเสียเวลากับการไปหาเงินทองมาสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ พรกิจกรรมเหล่านี้มันจะต่อเนื่องมันทําแล้วมันไม่หยุดความอยากมันไม่หยุดหลังจากที่ได้ทําตามความอยากแล้วแทนที่มันจะอิ่มมันจะพอมันกับหิวกับอยากเพิ่มขึ้นมาอีกเงินทองที่หามาก็ต้องหมดไปเมื่อหมดไปก็ต้องไปหามาใหม่ก็จะวนเวียนอยู่กับการหาเงินใช้เงินเพื่อมาสนับสนุนตันหาความอยากต่างๆ ที่จะดึงให้เราติดอยู่กับโลกของการเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด่ทานจึงเป็นเครื่องมืออันหนึ่งเราต้องกำจัดเงินทองต่างๆที่เอามาใช้กับความอยากต่างๆและความฟุ่มเฟือยต่างๆในปัจจัยสี่ให้อยู่แบบสมถะเรียบกายแล้วก็อย่าไปทำกิจกรรมตามความอยากต่างๆ ให้เอาเวลาเหล่านี้มาทำกิจกรรมสร้างสะพานสู่พระนิพพานกันนี่คือขั้นที่หนึ่งคือทานให้ทำแบบนี้ตราบใดที่เรายังมีเงินทองที่เราจะเอาไปใช้กับความอยากเราต้องเอามาทำบุญให้ทานไปเสียแต่เงินทองที่เราจาเป็นจะต้องมีไว้สำหรับดูแลรักษาร่างกาย ตามตามเหตุตามผลตามความต้องการของร่างกายนี้เราก็ต้องมีเอาไว้หรือถ้าเรามีมากเราจะเอาเอาไว้เฉยๆไม่ไปใช้กับกิจกรรมทางความอยากหรือใช้กับของที่ฟุ่งเฟยที่ไม่จำเป็นก็เก็บไว้ได้เผื่อไว้ก็ได้เผื่อวันข้างหน้าอาจจะต้องใช้กับร่างกาย หรืออาจจะไปทำทานแบบใดแบบหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำก็ได้ตาบใดถ้าเราสามารถควบคุมการใช้เงินของเราไม่ให้ไปใช้ตามความอยากไม่ให้ไปใช้กับของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นต่อการบำรุงดูแลรักษาร่างกายก็เก็บไว้ได้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่าไปหวงอย่าไปห่วง อย่าไปยึดอย่าไปติดก็แล้วกันต้องรู้ว่ามันต้องสักวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดพาจากกันไปเป็นธรรมดาถ้ารู้ว่าไม่ใช่ก็เอาไปทําทานทําอะไรเสียก็ได้กว่าแต่ถ้าคิดว่ายังอาจจะต้องเก็บสํารองไว้ก็เก็บเอาไว้แต่อย่าไปเสียเวลากับการดูแลรักษาจนไม่มีเวลามาสร้างสะพานไปสู่พระนิพพาน นี่คือเป้าหมายของการทำทานเพื่อให้เราจะได้มีเวลามาบำเพ็ญกันไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาเงินหาทองแล้วก็เสียเวลากับการใช้เงินใช้ทองวนไปเวียนมาอย่างนี้จนไม่มีเวลาที่จะมาสร้างสะพานไปสู่พระนิพพานกันพอเราทำทานได้แล้วเราก็จะ ก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองได้ก็คือการรักษาศีลเราก็จะรักษาศีลแปดศีลห้านี้เป็นศีลพื้นฐานที่เราทําควบคู่ไปกับการทําทานแต่ถ้าเราอยากจะสร้างสะพานข้ามไปสู่พระนิพพานเราต้องรักษาศีลแปดกันเช่นในวันหยุดทํางานอย่างวันนี้ มารักษาศีลแปดกันมาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วก็มาบำเพ็ญจิตตะภาวนากันเจรินสติเจรินสมาธิและเจรรญปัญญาถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถข้ามไปสู่พระนิพพานได้ไม่ยากเย็นอะไรเลยไม่ลึกลับอะไรเลย การที่จะไปสู่พระนิพพานไม่เหมือนในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนสัตว์โลกนี้ไม่มีใครรู้จักวิธีสร้างสะพานไปสู่พระนิพพานกันไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะรู้ว่าการกระทาอย่างไรถึงสามารถทำให้ข้ามไปสู่พระนิพพานกันได้ ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสัุ้พอมีพระพุทธเจ้าแล้วความลึกลับพิสดารต่างๆก็หายไปหมดเห็นชัดเจนองค์ทรงสอนเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าถ้าอยากจะไปนิพพานก็ทำอย่างนี้ทำทานรักษาศีลห้าไปก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นในวันพระศีลแปดในวันพระ แล้วก็บำเพ็ญสติสมาธิปัญญาพอใจสงบใจมีความสุขใจตัดตันหาความอยากได้ใจก็ก้าวเข้าสู่พระนิพพานใกล้เข้าไปตามลำดับพอเห็นว่าเริ่มมีการก้าวหน้ามีการเจริญก็อยากจะเร่งปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะเพิ่มวันรักษาศีลแปดเป็นสองวันสามวันต่ออาทิตย์หรือมากกว่า น, นั้นเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนสามารถรักษาศีลแปดได้ทุกวันสามารถบำเพ็ญได้ทุกวันแต่อาจจะไม่ได้ทั้งวันไม่ได้ตลอดเวลาก็ต้องพยายามพุ่งไปสู่เป้าหมายอันนั้นให้ได้คือการได้บำเพ็ญตลอดเวลา แบบนักบวชจะอยู่แบบนักบวชหรือจะบวชเลยก็ได้ไม่เป็นปัญหาขอให้ได้บาเพ็ญตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับก็แล้วกันจะอยู่ที่บ้านบาเพ็ญก็ได้จะไปบวชอยู่ที่วัดบาเพ็ญก็ได้ก็สำคัญอยู่ที่การบาเพ็ญอยู่ที่การเจริญสติ ต้องสามารถจเจริญสติตั้งแต่เตื่นขึ้นมาจนหลับให้ได้ทุกระยะทุกขณะเวลาตื่นนี้จะไม่ปล่อยใจให้ลอยไปลอยมาแบบไม่มีใครคอยควบคุมเหมือนกับรถยนต์ที่ไม่มีคนขับรถยนต์ที่ไม่มีคนขับเราก็คงจะเห็นสภาพว่ามันก็จะต้อง <c oughs> วิ่งตกเอ๋อตกเหวไปแหกโค้ง หรือไปชนกับรถต่างๆเพราะไม่มีคนควบคุมนั่นเองไม่มีคนขับคอยควบคุมรถยนต์ถ้ารถยนต์วิ่งไปโดยไม่มีคนขับรถนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องประสบอุบัติเหตุอย่างแน่นอนใจของพวกเราก็เป็นเหมือนรถที่ไม่มีคนขับนะปล่อยให้มันไปตามอารมณ์ ไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างไปตามความโลภบ้างไปตามความโกรธบ้างไปตามความหลงบ้างไว้ให้มันวิ่งไปอยู่อย่างนี้แล้วมันจะไปถึงไหนกันมันก็ไปถึงแต่กองทุกข์เท่านั้นเองพอเกิดความโลภขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นเกิดความโกรธขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นเกิดความหลงขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้น เกิดความอยากในกามขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นเกิดความอยากมีอยากเป็นขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นเกิดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นเนี่ยใจของเราทุกวันนี้ทุกอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้เพราะใจของเราเหมือนกับไม่มีคนคอยขับคอยควบคุมมันนั่นเองปล่อยให้มันวิ่งไปตามอารมณ์ของมันอยากจะ ดูอยากจะฟังอะไรก็ดูไปฟังไปแล้วก็มาทุกข์กับมันเวลาที่ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังตามความอยากอยากจะเป็นอะไรก็พยายามทาไปทาให้เป็นให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ทุกข์นี่คือเรื่องของใจที่ไม่มีสติคอยควบคุมจะเป็นอย่างนี้ถ้ามีสติแล้วเราจะ ดึงไม่ให้มันออกไปสู่ทางความอยากต่างๆได้ไม่ให้มันไปทางความโลภความโกรธความหลงได้เวลามันจะไปเราก็ดึงมันกลับมาได้ถ้าเรามีสติเหมือนกับคนขับรถถ้ารถมันจะวิ่งเฉยไปทางซ้ายหรือเฉยไปทางขวาคนขับรถก็สามารถดึงมันกลับให้มาวิ่งอยู่ทางตรงได้ นี่คือใจเป็นเหมือนรถยนต์ที่ต้องมีคนขับถึงจะวิ่งไปได้อย่างปลอดภัยถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ใจจะไปสู่พระนิพพานได้ก็ต้องมีคนขับคนขับก็คือสติสมาธิและปัญญานี้เองสติก็คือผู้คอยควบคุมอารมณ์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาถ้ามีสติอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอารมณ์ต่างๆก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้แล้วเวลาต้องการพักใจพักผ่อนให้อาหารให้กําลังกับจิตใจก็สามารถพักได้สามารถเข้าไปสู่สมาธิได้เพราะการเดินทางก็เหมือนกับขับรถบนท้องถนนเดินทางไกลเดินทางไปสักระยะหนึ่งก็ต้องเหนื่อย ก็ต้องมีการพักแรมเช่นเราเดินทางไประยะทางกลายเป็นพันกิโลเราไม่สามารถที่จะขับรถไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่หยุดพักเราก็ต้องหยุดพักแรมไปตามทางชันในการบําเพ็ญเพื่อไปสู่พระนิพพานใจก็จําเป็นจะต้องมีที่พักเหมือนกันที่พักของใจก็คือสมาธิความสงบนี่ การเจริญสติก็เพื่อควบคุมอารมณ์ไม่ให้ไปออกนอกรูนอกทางไปสร้างความทุกข์ต่างๆแล้วก็เพื่อให้ใจมีที่พักให้ใจเข้าไปสู่ในสมาธิได้ถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถจะกระทาได้แต่สตินี้เพียงลำพังนี้ไม่สามารถที่จะกาจัด ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปได้เพียงแต่ดึงเอาไว้ไม่ให้ไปทางนั้นเท่านั้นเองเช่นถ้ามีสติก็ดึงไม่ให้ไปทางโลภโกรธหลงได้ถ้ามีสติก็ดึงไม่ให้ไปทางกามาตัญหาภาวตัญหาวิภาวะตัญ ห, หาได้แต่มันไม่สามารถที่จะทำลายตัญหาและกิลเลสได้จึงต้องอาศัย ปัญญาที่จะเป็นผู้เดียวที่สามารถที่จะทำลายความโลภความโกรธความหลงทำลายตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้ดังนั้นนอกจากการจเจริญสติและการเข้าไปพักในสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องศึกษาวิธีใช้ปัญญาเพื่อที่จะได้มาทำลายกิเลสตัณหา ให้หมดไปให้มันตายไปอย่างถาวรสติกสมาธินี้ไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้มันหมดไปได้อย่างถาวรถ้าตาบใดยังมีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจอยู่ตาบนั้นก็ยังข้ามไปไม่ถึงพระนิพพานกิเลสตัณหาจะคอยดึงให้ติดอยู่กับโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อไป ดังนั้นหลังจากที่ได้สติและได้สมาธิแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมาสร้างปัญญากันวิธีสร้างปัญญาก็ต้องพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายที่จิตไปหลงไปยึดไปติดไปรักไปชอบไปอยากไปโลภว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเวลาได้เวลามีมันก็สุขแต่เวลามันหมดไปมันก็ทุกข์เช่นเงินทองเวลาได้เงินได้ทองมาเวลามีเงินมีทองมันก็มีความสุขแต่พอเงินทองหมดไปความสุขนั้นมันก็หายไปความทุกข์ก็กลับมาแทนที่นี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนเงินทอง ราบยศสระเสริลรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมีเจญมีเสือ่อมมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันไม่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่สามารถไปสั่งให้มันไม่หมดไปได้มันอยู่เหนือกำลังของเราที่จะไปสั่งมันได้มันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปมันจะดับมันก็ดับมันจะเกิดมันก็เกิดถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะได้หยุดกิเลสความโลภความอยากหยุดตัณหาความอยากได้เพราะรู้ว่าวิ่งไปหาความทุกข์ มีใครอยากจะวิ่งไปหาความทุกข์บ้างแต่เพราะความหลงนั่นเองมันปิดบังไว้มันใ ห, ให้เห็นกลับเป็นตาลปัดไปเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นอนิจจังว่าเป็นนิจจังเห็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาจึงต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาและต้องพิจารณาอยู่เนืองๆ อ, อยู่ตลอดเวลาเพราะเวลาใดที่ไม่ได้พิจารณา มันก็จะลืมไปทันทีแล้วความคิดว่ามันเป็นสุขมันเป็นนิจจังอัตตามันก็จะกลับมาทันทีนี่คือเรื่องของกิเลสมันเป็นเหมือนจอกแมที่มันคุมน้ำอยู่เวลาเราอยากจะตักน้ำนี่เราต้องแหวกจอกแม้ออกไปแหวกมันออกไปเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ ถ้าจะไม่ให้มันกลับมาใหม่แหวกแล้วก็ต้องตักมันออกไปทิ้งไปตักมันทิ้งไปเรื่อยๆจนไม่มีจอกแหนหลงเหลืออยู่ในน้ำเท่านั้นถึงจะไม่มีจอกแหนมามากรบน้ำเอาไว้ฉันใดโมหะความหลงก็จะมากบความจริงไว้เหมือนจอกแหนกบว่าทุกอย่างนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่คือความจริง แต่โมหะมันจะมาหลอกให้เราเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นสุขทุกอย่างนี้เที่ยงทุกอย่างเป็นของเราได้อะไรมานี่เราดีใจกันว่าเป็นสุขดีใจว่าจะอยู่กับเราไปนานๆดีใจว่าเป็นของเราแต่พอไปเจอความจริงเท้าก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเพราะไม่มีปัญญามาคอยแหวกโมหะที่เป็นเหมือนจอกนหะ ทำให้ไม่เห็นความจริงนี้จึงต้องใช้ปัญญาตลอดเวลาจนสามารถตักเอาจอกเหนาคือความหลงให้หมดไปจากใจเท่านั้นมองเห็นอะไรนี้จะเห็นเป็นตายรักสเสมอเท่านั้นแหละถึงจะสามารถที่จะอจำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าหมดแล้วก็ คำว่าพระนิพพานมันก็รู้เองว่าเป็นอย่างไรพระนิพพานก็คือความไม่มีความทุกข์นั่นเองใจที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหานั่นเองก็คือพระนิพพานปาลมังสุขขังบรลมสุขมันก็เกิดตรงนั้นเกิดตรงที่ไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความทุกข์แล้วผู้ปฏิบัติจะรู้เองสันติโก เมื่อถึงที่แล้วไม่ต้องไปถามใครเหมือนเวลารับประทานอาหารเวลาอิ่มแล้วไปถามคนอื่นหรือเปล่าว่าผมอิ่มหรื อ, อยังคนอื่นก็จะไปรู้ได้อย่างไรว่าคุณอิ่มหรื อ, อยังคนเป็นคนกินคุณก็ต้องรู้สิคนที่เขาไม่กินก็จะไปรู้หรือว่าอิ่มหรือเปล่าท้องของคุณกับท้องของเรามันอันเดียวกันที่ไหนมันคนละอันกันใจของเขากับใจของเราก็คนละอันกัน แต่ใจของคนบางคนอย่างพระพุทธเจ้านี่มีอภิญญามีพลังสามารถเห็นใจของคนอื่นได้ถึงสามารถพูดได้ว่าเออคนนี้อิ่มแล้วคนนี้ถึงแล้วคนนี้บรรลุแล้วอัญญาณโกนธัญะเธอเห็นแล้วหนอเอะนี่พระพุทธเจ้าสามารถอ่านวาลจิตของอัญญาณโกนธัญะได้รู้ว่าอัญญาณโกนธัญะเห็นอะไรกําลังคิดอะไรอยู่ เหมือนสมัยนี้แฮกเกอร์สามารถเข้าไปเครื่องคอมของใครก็ได้อยากจะรู้ว่าเครื่องคอมของใครมีอะไรมันก็แฮกเข้าไปได้อันนี้ก็เหมือนกันอภิญญาก็เป็นการแฮกเข้าไปดูใจของผู้อื่นแต่อันนี้มันเป็นความสามารถพิเศษไม่เกี่ยวกับการเจริญมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปกังวลถ้าไม่ได้บรรลุไม่มีอภิญญาไม่สามารถอ่านวาลจิตของผู้อื่นได้ก็ไม่สาคัญ ขอให้อ่านจิตของเราได้ก็พอขอให้เรารู้ว่าจิตของเราพอหรือยังอิ่มหรือยังหมดทุกข์หรือยังเท่านี้ก็พอส่วนจิตของคนอื่นจะหมดหรือไม่หมดนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเราถ้ารู้ได้ก็ดีไม่รู้ได้ก็ไม่เสียหายอะไรไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงเรื่องใจของเราไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงการลุดพ้นจากกองทุกข์ของเราแต่อย่างใดดันั้นเรื่องของอภิญญานี้อย่าไปกังวล บางคนก็มีติดตัวมาบางคนก็ไม่มีไม่มีก็ไม่สําคัญมีก็ไม่สําคัญสิ่งที่ต้องมีก็คือสติสมาธิปัญญานี่เท่านั้นที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการบําเพ็ญสู่มรรคผลผนิพพานเจึงขอให้พวกเราอย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยไม่มาสร้างสะพานสู่พระนิพพานกันเพราะเวลาของเราจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆ ชีวิตของเราจะสั้นลงไปเรื่อยๆและอาจจะหมดไปในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้จึงไม่ควรประมาทไม่ควรผัดวันประกันพรุ่งคนจะรีบทําเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าทําแล้วไม่นานมันก็จะได้ผลมันก็จะสําเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร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 ยะถาวาริวาหาปุราปาวิปุเรนติสักังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาบปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติรโสยถาสพิติโยวิวาจันตตสรรพโรควีนัสตุมาเตภวะทวันตารโยสุขีทีขายุโกภะอภพิวาธนศิริสะนิจจังวุธาปจายโนยัตาโรธรรมวทานติ อายุวโนสุขังาลังต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เลยกามรัศการขอขอแกเรัจารครับเวลาปกติถ้าเรามี <c oughs> ทุกขเวทนาทางกายอยู่เนี่ยครับ ให้ผมเคยฟังหลวงตาท่านเทพท่านบอกว่าใ ห, ให้พยายามแยกขันออกมาเป็นสามขันคือกายเวทนาแล้วก็จิตออกมาแต่ละขันทํางานไม่ไม่เกี่ยวเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันเลยทีนี้สภาวะผมคําถามผมว่าถ้าเป็นสภาวะปกติเนี่ยเราไม่ได้มีทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาแต่มีความเฉยเฉยเนี่ยเราจําเป็นจะต้องแยกออกมาเป็นสามขันเหมือนกันหรือเปล่าครับคือเวลามันเป็นปกติมันไม่เป็นปัญหาเนี่ย ที่เราต้องแยกก็ตอนที่มันเป็นปัญหาคือตอนที่มันทำให้ใจเราทุกข์ใจให้เราไม่สบายถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาคืออยากให้ใจเราสบายท่ามกลางความเจ็บของร่างกายเราก็ต้องแยกร่างกายออกไปส่วนหนึ่งทางหนึ่งเวทนาคือความเจ็บก็แยกไปอีกทางหนึ่งแล้วใจคือผู้รู้ก็แยกออกมาอีกทางหนึ่ง อย่าไปปนกันเพราะว่าถ้าไม่แยกมันจะไปคิดว่าเป็นอันเดียวกันใจร่างกายกับเวทนาเป็นอันเดียวกันพอเวทนาเป็นอะไรใจกับร่างกายก็เป็นไปกับมันด้วยแต่ถ้าใช้ปัญญาแยกแล้วมันก็จะต่างคนต่างทาหน้าที่ของกันและกันไปหน้าหน้าที่ของร่างกายก็เป็นดินน้ำลมไฟเขาก็เป็นแค่ดินน้าลมไฟ เวทนาจะสุขจะทุกข์แล้วไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ได้เปลี่ยนร่างกายให้เป็นอย่างอื่นไปมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ใจผู้รู้ก็ยังเป็นผู้รู้เหมือนเดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกข์เวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเเวทนาถ้าแยกออกอย่างนี้ใจจะได้สักแต่ว่ารู้ได้ให้รู้เฉยๆหน้าที่ของใจมีเพียงแต่รู้อย่างเดียวไม่ให้ไปคิดปรุงแต่ง ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเราเป็นเขาถ้าไปคิดกุงแต่งแล้วมันก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากก็จะเกิดทุกข์ในอริยสัจขึ้นมาที่ทนกันไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของเวทนาที่ทนไม่ได้คือความทุกข์ในอริยสัจความทุกข์ในอริยสัจนี่มันรุนแรงกว่าความทุกข์ของเวทนาเป็นสิบสิบเท่านะ ถ้าเบนแต่ความเจ็บของเวทนานี้เจ็บขนาดไหนใจก็ไม่เดือดร้อนแต่ใจเดือดร้อนเพราะทุกทุกที่เกิดจากสมุทยัยทุกที่เกิดขึ้นในใจใจทนกับทุกของตนเองไม่ได้แต่ใจทนกับทุกกับของเวทนาได้แต่ใจไม่รู้ใจไปคิดว่าทุกของเวทนาเป็นของตนไปด้วยก็เลยทุกไปกับมันอยากจะให้มันหาย พออยากจะให้มันหายมันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาที่รุนแรงกว่าความทุกข์ของเวทนาถ้าใช้ปัญญาแยกแยะ ก, ก็จะรู้ว่าเวทนาก็เป็นอย่างนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนดินฟ้าอากาศตกบ้างไม่ตกบ้างใจคือผู้รู้ก็รู้ไปเลยรู้ว่าวันนี้ฝนตกก็ตกไป ฝนไม่ตกก็รู้ว่าไม่ตกก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไปอยากให้มันตกแล้วไม่ตกก็เกิดปัญหาขึ้นมาทางใจได้หรือมันตกแล้วอยากจะให้มันหยุดก็ ก, ก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้เกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะเกิดความไม่สบายใจกับเหตุการณ์ต่างๆก็ต้องแยกใจออกจากเหตุการณ์ต่างๆให้ใจเป็นเพียงแต่ผู้รู้เหมือนกับผู้ดูภาพยนตร์ ผู้ดูภาพประโยชน์นี้ไม่ได้ไปยิงกับคนที่อยู่ในจอคนอยู่ในจอก็จะยิงกันฆ่ากันคนดูก็เพียงแต่ดูไปแต่คนดูบางทีก็เผลอคิดว่าไปอยู่ในจอกับเขาก็ <c oughs> เลยหวาดเสียวไปกับเขาด้วยก็เท่านั้นเองใจมันชอบไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นพูดง่ายๆจึงต้องใช้ปัญญาดึงมันออกมาดึงให้มันมาเป็นผู้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้เนี่ย การทำสมาธิก็เพื่อดึงใจให้ออกจากทุกสิ่งทุกอย่างพอใจสงบมันก็จะสักแต่ว่ารู้มันจะไม่ไปวุ่นวายไปยุ่งกับเรื่องของร่างกายหรือเรื่องของเวทนาพอมีตัวรู้นี่แล้วพอมีตัวสมาธินี่แล้วก็รักษามันไว้ต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาก็สอนใจว่าต่อไปนี้ให้รู้เฉยๆนะไม่ต้องไปยุ่งกับเขา ไม่ต้องไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะไม่เป็นเราก็สั่งเขาไม่ได้ชู้อยู่เฉยๆดีกว่าสัก์แต่ว่ารู้ไปคือปัญญาแล้วต่อไปใจจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายเรื่องเวทนาร่างกายจะตายก็ไม่ทุกเวทนาจะเจ็บขนาดไหนก็ไม่ทุก พอใจไม่ได้ไปวุ่นวายกับเขาไม่ได้ไปเกิดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่คือการแยกแยากกายเวทนากับใจให้รู้ว่าแต่ละอย่างเขาเป็นอะไรกันเขามีหน้าที่อะไรร่างกายก็มีหน้าที่นั่งอยูอเ่เฉยๆก็ปล่อยมันนั่งไปมันไม่เจ็บหรอกที่มันเจ็บไม่ใช่กระดูกมันเจ็บไม่เป็นหรอกเอเนื้อหนังมันเจ็บไม่เป็นอ เวทนาก็ไม่ได้อยู่ในเนื้อในหนังเวทนามันก็เป็นความรู้สึกที่รับรู้ด้วยใจร่างกายมันไม่เดือดร้อนเวลามันเวลาคนตายไปเอาไปเผาร่างกายมันเดือดร้อนนะร่างกายมันไม่รู้เรื่องอะไรกระดูกมันไม่รู้เรื่องอะไรเนื้อหนังไม่รู้เรื่องอะไรแต่คนที่มาจับจองมารับรู้เนี่ยเป็นผู้ที่รู้ แต่ไม่ได้เป็นผู้ที่ไป อ, อยู่ในเหตุการณ์เหมือนคนดูภาพยนตร์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่กลับไปเดือดร้อนแทนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องดึงใจออกมาดึงออกจากร่างกายดึงออกจากเวทนาด้วยกําลังของสมาธิและปัญญาตอนต้นก็ใช้สมาธิคือใช้สติดึงใจออกมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไป ใจก็จะออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็จะสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาพอออกจากสมาธิมากลับมาสัมผัสกับรูปเวทนาสัญญาสังข า, ารวิญญาณก็ต้องใช้ปัญญาคอยแยกคอยเตือนว่าเราไม่ใช่เป็นเวทนาเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาจะเป็นอะไรถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไป เขาเจ็บเรารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปถ้ามีเท่านั้นเองอสาธุต่อไปเป็นคําถามจากมีผู้ฝากถามคําถามแรกนั่งสมาธิสักพักเห็นมีศพลอยน้ํามาเป็นศพผู้หญิงสักพักก็เป็นศพผู้ชายสักพักก็เป็นแขนบวมๆเน่าๆ สักพักก็เป็นขาลอยมานั่งไปสักพักก็เลยแผ่เมตตาทำแบบนี้ถูกไหมคะหรือควรต้องทำอย่างไรดีคะคือถ้าเราเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆการนั่งแล้วเห็นอะไรนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวิปัสสนาปัญญา <c oughs> ก็ยังไม่ควรที่จะไปสนใจคือเราคงจะห้ามมันไม่ได้แต่เวลามันจะเห็น แต่เราสามารถหยุดมันได้หรือไม่ไปสนใจกับมันได้เพราะเป้าหมายของการนั่งสมาธินี้คือต้องการดึงใจออกจากสิ่งต่างๆให้ใจได้ยรู้จักตัวของตัวเองว่าเป็นอะไรกันหนะ้าอยากจะให้ใจเข้าไปสู่ตัวรู้ผู้รู้สักแต่ว่ารู้อยู่กับความว่างอยู่กับอุเบกขาอยู่กับความสุขที่เกิดจากความว่างนั้น นี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วเนี่ยทีนี้ถ้าดังเล่าใจเห็นอะไรก็สามารถยกขึ้นมาพิจารณาต่อได้เช่นได้เห็นซากศพอย่างนี้<ๆ>ก็พิจารณาซากศพนี้เป็นของเราเป็นของคนนั่นเป็นของคนนี้ได้หมดเลยพิจารณาว่าอ๋อในที่สุดคนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องกลายเป็นซากศพดีๆนี่เอง ถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นวิปัสสนาแต่ต้องรู้จักจักแยกแยะถ้าดูเฉยๆแล้วถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพอก็จะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาได้บางคนก็จะไม่กล้านั่งต่อไปเฉะนั้นการเห็นอะไรนี้มันมเป็นมีทั้งคุณมีทั้งโทษหลวงตาท่านเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับงูพิษนี่ มันเป็นทั้งคนเป็นทั้งโทษคือพิษของงูนี่ถ้ากัดเรามันก็ทําให้เราตายได้แต่ถ้าเรารู้จักรีดเอาพิษงูมาทํายะเป็นยามันก็สามารถเอามารักษาโรคถูกงูกัดได้ดังนั้นผู้ที่จะเล่นกับงูนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความชํานาญผู้ที่มีสติปัญญาที่จะสามารถเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ถ้ายัาง ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ความสามารถความฉลาดถ้านั่งขึ้นมามานังใหม่ๆแล้วไปเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วปล่อยให้ใจตามไปรู้ภาพต่างๆมันอาจจะกลายเป็นนูน่นกลายเป็นนี่ไปแล้วถ้าไม่มีสติ ป, ปัญญาแยกแยะ ก, ก, ก็อาจจะหลงไปหรือเป็นบ้าไ ป, ไปกับภาพที่เห็นก็ได้นะงนั้นสำหรับผู้ที่ปฏิบัติที่มีนิสัยที่จะออกไปรู้ทางนี้จาเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ ผู้ที่เคยผ่านเรื่องราวต่านี้มาแล้วคอยควบคุมอย่างในหนังสือปฏิบัติบูชานี้มีเรื่องของอปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิหลงตายกตัวอย่างเรื่องของคุณแม่ชีแก้วคุณแม่ชีแก้วนี้สมัยเป็นเด็ ก, ดกหลวงปู่มั่นท่านเคยไปไปไปพักใกล้ๆบ้านไปบําเพ็ญแล้วก็ไปบบนทบา ท, ที่บ้าน แล้วเวลาแม่ชีแก้วไปถวายอาหารหลวงปู่ก็สอนให้นั่งสมาธิพอแกไปลองนั่งครั้งแรกจิตก็กรวมแล้วก็ไปรู้เห็นอะไรเห็นตัวเองนอนตายแล้วเห็นหลวงปู่มั่นเดินมาสวดเอาไม้เท้ามาเขี่ยมาที่ร่างกายเขี่ยไปตรงไหนร่างกายมันก็เปื่อยเปื่อยไปเปื่อยไป ตอนเช้าก็ไปเล่าให้หลวงปู่ม่านฟังว่านั่งสมาธิไม่ได้เรื่องเลยนั่งไปเดียวเดียวก็หลับฝันไปหลวงปู่บอกว่ามันไม่ใช่ฝันมันเป็นนิมิตแล้วหลวงปู่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกให้ภาวนาต่อไปตอนที่หลวงปู่ท่านไม่อยู่ท่านจะไปจากหมู่บ้านนั้นท่านก็สั่งให้หยุดไม่ให้ทำแล้วกลัวเดียว เกิดเห็นอะไรแล้วไม่มีใครปรึกษาไม่มีใครบอกใครสอนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็อาจจะเสียได้ก็เลยสั่งไม่ให้ไม่ให้ภาวนาให้หยุดภาวนาไว้ก่อนตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่อายุ10กว่าขวบต้องมีครูบาจารย์ผู้ที่รู้จักวิธีรู้เรื่องของนิมิตต่างๆว่าควรจะปฏิบัติกระมันอย่างไร เพราะการนั่งแล้วเห็นนิมิตนี้ไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อาการบําเพ็ญเพื่อมรักผลนิพพานถ้าไม่รู้จักใช้นิมิตนั้นให้เป็นปัญญามันก็จะกลายเป็นเรื่องของกิเลสไปได้แทนที่จะหลุดพ้นกลับจะมาติดอยู่กับนิมิตติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นในเบื้องต้นถ้าเรานั่งแล้วเราเมนิสัยที่ไปเจอนิมิตต่างๆ ก็อย่าไปตามรู้ให้กลับมาที่องค์ภาวนาเราอยู่เราใช้อะไรเป็นองค์ภาวนาเราก็อยู่กับองค์ภาวนาไปใช้พุทธโธก็กลับมาอยู่กับพุทธโธไปใช้ลมหายใจก็กลับมาที่ลมถ้าไปตามรู้ก็แสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับพุทธโธไม่ได้อยู่กับลมหายใจถ้าเรากลับมาที่พุทธโธแล้วที่ลมหายใจ <c oughs> เดี๋ยวใจก็จะสงบก็จะว่าง แล้วก็จะเข้าสู่อุเบกขาสักแต่ว่ารู้ได้อันนี้เป็นสมาธิที่สําคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการบําเพ็ญวิปัสสนาตามลําดับต่อไปเพราะมันจะให้กําลังมันจะให้รู้ว่าวิธีจิตจะต่อสู้กับตันหาความอยากต่อสู้แบบไหนต่อสู้ยึดได้อย่างไรก็ต่อสู้ด้วยการอุเบกขาเนี่ยต่อสู้ด้วยการหยุดหยุดไม่ทําตามความอยากไม่ทําตามความโลภ ถ้าไม่มีอุเบกขาก็ไม่มีกําลังที่จะหยุดมันได้ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะบําเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานนี้ต้องระวังอย่าไปไปทางนิมิตเป็นอันขาดอย่างนั้นเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิเราต้องไปสู่อัปปนาสมาธิคือจิตสงบว่างสักแต่ว่า ร, รู้เป็นอุเบกขาอันนี้จะเป็น จิตที่มีพลังเวลาออกจากสมาธิที่นี่มาสามารถที่จะต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างๆได้ mm hmm. เช่นเวลาเจอทุกขเวทนาก็สามารถหยุดความอยากให้ความทุกขหยหยุดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปปกตินี้พอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราจะทำยังไงเราก็จะอยากให้มันหายทันทีพออยากจะให้มันหายมันก็ยิ่งทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นนึงทุกข์ขึ้นมาในใจ ก็ยิ่งทำให้ความทุกข์นี่เป็นสองสามเท่าเลยแต่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วก็สักแต่ว่ารู้มันไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเวทนามันบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอมันจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปถ้าเราปล่อยเราไม่ไปมีความอยากให้มันหายใจของเราก็จะไม่ทุกข์เช่นเดียวกับความตายถ้าเราถ้าต้องเจอความตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะร่างกายมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเรา เราก็ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ไปอยากให้มันไม่ตายก็จะทำให้ทุกข์ขึ้นมาอย่างรุนแรงความกลัวตายนี่ก็คือความอยากไม่ตายนั่นเองพอยอมให้มันตายกรใจก็เย็นสบายเหมือนอยู่ในสมาธิสักแต่ว่ารู้ไปตายก็ตายไปเราไม่ได้ตายไปกับมันเราไปกลัวทำไมคำถามข้อต่อไป ถ้านั่งแล้วจิตลอยต้องแก้อย่างไรเจ้าคะก็ให้กลับมาที่องค์ภาวนานั่นล่ะอย่าไปสนใจมันจะลอยไม่ลอยก็เรื่องของมันส่วนใหญ่มันใจหลอกใจซะมากกว่านอกจากว่าถ้าเรามั่นใจว่าลอยจริงก็ลองพิสูจน์ดูแบบในหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นหลวงตาท่านก็เล่าเรื่องการนั่งสมาธิของหลวงปู่สาวหลวงปู่สาวท่านก็นั่งแล้วท่านก็ลอยตัวท่านก็ลอย ขึ้นไปแต่ท่านก็ไม่แน่ใจท่านก็ไม่มั่นใจว่าลอยจริงหรือไม่ลอยจริงครั้งต่อไปเวลาท่านนั่งท่านก็เลยเอาใบาไม้ไว้ในมือท่านแล้วพอรู้สึกว่าตัวรอยก็ลืมตาดูพอมือจะเอื้อมไปถึงหลังคาที่ทําด้วยหญ้าได้มุงด้วยหญ้าได้ท่านก็เอาใบาไม้ไปเสียบไว้ที่หลังคาเสร็จแล้วท่านก็กลับมาภาวนาต่อ พอท่านออกจากภาวนามาท่านก็มองขึ้นไปที่หลังคาท่านก็เห็นว่าใบาไม้ที่ท่านเสียบไวแสดงว่าตัวท่านลอยขึ้นไปจริงแต่จะลอยไม่ลอยมันก็ไม่เป็นเรื่องสําคัญอะไรเราไม่ได้ต้องการนั่งเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิปาฏิหารเราต้องการนั่งเพื่อให้เกิดอุเบกขาให้เกิดสักตะวารุให้รู้จักตัวจิตว่ามันเป็นอย่างไรและวิธีที่จะรักษาจิตไม่ให้ทุกข์นั้นรักษาได้อย่างไร เวลามีอะไรต่างๆเหล่านี้อย่าไปหลงพยายามกลับมาที่องค์ภาวนากลับมาที่พุทโธแ ร, รือกลับมาที่ลมหายใจแล้วภาวนาต่อไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วอาการต่างๆก็จะหายไปคำถามข้อต่อไปตอนฝึกเจริญสติใหม่ๆยอมรับว่าสติไม่เท่าทันความคิดปรุงแต่งแต่พอฝึกนานๆไป สติดีขึ้นรู้เท่าทันได้มากขึ้นแต่ก็ยังหยุดคิดไม่ได้ทั้งๆที่สติรู้เท่าทันความคิดที่เกิดขึ้นรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่พยายามเตือนตัวเองว่าอย่าคิดหยุดนะไม่คิดนะสติมีสติรู้อยู่ว่ากำลังเตือนตัวเองแต่ก็สู้มันไม่ได้บ่อยครั้งมากที่ยอมแพ้ปล่อยให้มันคิด ยอมรับว่าเวลามันคิดปรุงแต่งก็มีความสุขดีบางทีก็ดึงกันไปดึงกันมาผมแพ้ตลอดจะทำอย่างไรดีและควรจะเจริญสติแบบไหนดีถึงจะเอาชนะมันได้ครับก็ต้องใช้การบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพุโทโธนับหนึ่งสองสามสวดมนต์คือให้จิตทำงานอย่าปล่อยให้มันไปคิด ถ้าเราดึงมันมาทำงานทางบริกรรมมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พุทโธหนึ่งพุทโธสองไปถึงพุทโธพันพุทโธสี่พันห้าพันเขาทำไปไม่ถึงหว่กมันถ้ามันพุทโธจริงๆเดี๋ยวห้านาทีมันก็หยุดคิดได้แล้วพอมันหยุดคิดแล้วก็อยู่พุทโธได้เหมือนรถอ่ะเวลามันไหลเราก็เหยียบเบรกไว้เหยียบไปจนกว่ามันจะหยุดพอมันหยุดแล้วเราก็ถอนเบรกออกถ้ามันไหลอีกเราก็เหยียบก ความคิดก็เหมือนกันถ้ามันคิดเราก็พุโทโธบริกรรมไปพอมันหยุดคิดเราก็หยุดบริกรรมไปอาเดี๋ยวมันคิดใหม่แล้วก็บริกรรมใหม่ต่อไปมันก็จะอยู่หมัดเองคำถามข้อต่อไปท่านพระอาจารย์เทศบ่อยๆครั้งว่าทำสมาธิพอจิตมันสงบถอนออกมาเจริญปัญญาสอนจิตได้แล้วและฟังเทศหลายๆอาจารย์หลายๆสานัก ก็พูดแบบนี้เช่นเดียวกันผมก็สงสัยว่าระดับของความสงบคือสงบพอประมาณแค่ไหนลึกแค่ไหนแบบไหนอย่างไรที่พอจะเจริญปัญญาหรืออบรมจิตได้ครับมันก็อยู่ระดับไหนมันก็สนับสนุนปัญญาระดับนั้นน่ะสมาธิระดับอ่อนก็สนับสนุนปัญญาระดับอ่อน สมาธิระดับกลางก็สนับสนุนปัญญาระดับกลางสมาธิระดับสูงก็สนับสนุนปัญญาระดับสูงเหมือนมีเงินห้าบาทก็ซื้อขนมได้ห้าบาทมีเงินร้อยก็ซื้อขนมได้ร้อยหนึง่ง <c oughs> ก็แบบเดียวกันนะั่นแหละคำถามข้อต่อไปผมจเจริญสติมาได้ระยะหนึ่งแล้วพยายามทำจิตใจให้มันสงบอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เห็นว่ากิเลสมันจะลดลงเลยได้แต่คมมันไว้ไม่ให้ทำผิดเพราะกลัวบาปกลัวอายเขาอย่างนี้ถือว่าปฏิบัติผิดวิธีหรือปฏิบัติไม่ได้ผลใช่ไหมครับเพราะผมเห็นอยู่ว่าผมมีกิเลสอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่มีศีลมันบังคับผมไว้เท่านั้นเองผมจะทำอย่างไรดีตอนนี้รู้สึกกังวลมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ ก็เครื่องมือกีเลตปากกเลตมันมีหลายระดับนีถ้าศีลนี้ก็เป็นเหมือนคอกคอกวัวคอกควายถ้าเราไม่ต้องการให้วัวควายมันออกไปเพ่นพ่านเวลาเราจะจับมันมันยากก็ขังมันไว้ในคอกก็จะจับมันง่ายศีลก็เป็นเหมือนคอกแต่คอกมันก็ยังวิ่งไปไหนมาไหนในคอกได้อยู่ถ้าอยากจะแม่มันวิ่งก็ต้องเอาเชือกมามัดมันไว้ผูกไว้กับเสา อย่างนี้ก็เรียกว่าสติกสมาธิถ้ามีสติก็สามารถที่จะมัดกิเลสแล้วก็มัดมันไว้กับเสาคือพุทโธได้ถ้ามัดมันไว้กับพุทโธได้มันก็นิ่งมันก็สงบมันก็เป็นสมาธิแต่มันก็ยังไม่ตายถ้าอยากจะให้มันตายพอมันนิ่งมันมัดมันไว้กับเสามันวิ่งหนีไม่ได้แล้วก็เอามีดมาฟันมันมาตัดคอมันอันนี้ก็คือปัญญา เนี่ยมันมีสามระดับด้วยกันขั้นตอนของการปราบกิเลสถ้าศีลนี่ก็เพียงแต่มีคอ้อกเช่นศีลห้ามันก็ห้ามไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ถ้าศีลแปมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกศีล น, น็อกสองรอยยิบเจ็ดมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกมันก็จะทำให้ค้องมันเล็กลงเล็กลงเวลาจะจับมันก็ยิ่งง่ายขึ้นศีลยิ่งมากเท่าไหร่ค้อก็ยิ่งเล็กลง ศีลน้อยมันคอมันก็กว้างใหญ่ศีลห้านี่มันใหญ่กว่าศีลแปดศีลแปดนี่ใหญ่กว่าศีลสิบศีลสิบนี่ใหญ่กว่าศีลสองรอยี่ิบเจ็ดเนยยังไงถ้าอยากจะจับมันง่ายๆต้องทําต้องรักษาศีลให้ได้มากเช่นมาบวชเป็นพระเนี่ก็ต้องรักษาสอง้อยิบเจ็ดข้อเป็นพิกซูนีก็สามร้อยกว่าข้อทีนี้มันก็จะจับมันมามัดกับเสาได้ง่าย คำถามข้อต่อไปหากเราฟุ้งซ่านเราไม่อยากพุทธโธเราไม่อยากภาวนาแล้วเราควรทําอย่างไรถึงจะกลับมาภาวนาพุทธโธต่อได้ครับสวดมนต์ไปก็ได้ไม่ได้ก็ฟังเทศไปฟังเทศไม่ได้ใช้ปัญญาไปพิจารณาว่าอะไรทําให้เราฟุ้งซ่านเรากําลังอยากกับเรื่องอะไรอยู่อยากกับภรรยาหรืออยากกับลูก อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้ภรรยาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากให้งานให้การของเราทําเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่ได้ดังใจอยากมันก็ฟุ้งขึ้นมาก็ต้องตัดความอยากไปบอกว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้มันเป็นอนัตตาไปสั่งให้ถ้าสั่งได้ป่านนี้ก็สั่งไปนานแล้วเขาเป็นไปดังที่เราอยากแล้วที่มันไม่เป็นไปที่ตามที่เราอยากก็เพราะว่าเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ งั้นเราก็ต้องมาห้ามที่ใจเราแทนมาห้ามความอยากเราก็าปล่อยเข้าไปก็อยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยเข้าไปก็อยากจะอยู่กับเราก็อยู่ก็อยากจะไปก็ปล่อยเข้าไปลูกมันจะดีก็เรื่องของมันมันจะเลว ก, ก็เรื่องของมันเราสอนมันแล้วเราสั่งมันแล้วเราส่งมันไปเรียนแล้วมันไม่ไปหราจะให้ทำยังไงให้คิดอย่างนี้ความฟุ้งซ่านต่างๆมันก็หายไปได้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ ใช้ปัญญาข่มใจสอนใจให้ปล่อยวางแต่นี้ไม่ใช่เป็นปัญญาระดับวิปัสนานี่เป็นปัญญาระดับที่จะดึงใจให้กลับมาสู่ภาวะปกติเพื่อที่จะได้ภาวนาได้เพื่อที่จะได้ดูลมหายใจได้เพื่อที่จะบริกรรมพุทธโธได้ก็มีฟังเทศก็ได้ฟังเทศก็เหมือนกันก็เป็นปัญญาเหมือนกันถ้าเกิดไปฟังเทศที่ตรงกับความปัญหาของเรามันก็ทาให้ปัญหาของเรา หายไปได้เหมือนกันความฟุ้งก็หายไปได้แต่บางทีมันยากเพราะไม่รู้ว่าปัญหาเราอยู่ตรงไหนคนเทศเขาก็ไม่ได้เทศเจาะจงให้กับเราท่านก็เทศแบบกว้างๆสาหรับคนทั่วไปแต่ถ้ามันไปตรงกันก็ก็สามารถใช้การฟังเทศดับความฟุ้งซ่านได้ดังนั้นคนบางคนเขาเขานั่งไม่ได้เขาก็ฟังเทศไปก่อนก็มีหรือบางคนก็สวดมนต์ไปก่อน สวดบนก็เพื่อดื่มใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้ฟุ้งซ่านนั่นเองไม่ให้ไปคิดถึงลูกถึงภรรยาถึงสามีถึงเรื่องงานเรื่องการให้มาสวดอยู่กับอิติปิโสสวดมันไปร้อยจบพันจบถ้าสวดแล้วไม่ไปคิดเดี๋ยวความฟุ้งซ่านก็หายไปพอหายแล้วก็หยุดสวดแล้วก็มานั่งพุทโธดูลมหายใจได้คําถามข้อต่อไปหากเราได้มาบวชแล้วเจอพระเพื่อน ชวนไปนั่งสมาธิเราควรไปกับเขาหรือเราควรไปรูปเดียวครับมันก็มันก็แล้วแต่แล้วถ้าถ้าไปคนเดียวได้ก็ดีกว่าถ้ายังถ้ายังไปคนเดียวไม่ได้กลัวผีบางทีก็ชวนไปนั่งที่ป่าชายนี้ถ้ากล้าไปคนเดียวได้ก็ไปคนเดียวถ้าภาวนานี่ถ้าไปคนเดียวมันจะดีกว่าไปสองคน เพราะมันจะได้ไม่ต้องมีมาภาวะภาระมากังวลกันแล้วไม่ต้องคิดพึ่งกันแล้วกันมันจะได้พึ่งตัวเองเวลาเจอผีเจออะไรมันจะได้พุดโธอย่างสุดเหวี่ยงจะได้ไม่ไปคิดถึงเพื่อนไปเรียกเพื่อนมาช่วยถ้ามีเพื่อนเดี๋ยวมันก็วิ่งไปหาเพื่อนมันก็เลยไม่ได้สมาธิถ้าถ้ามีความกลัวสุดขีดแล้วบริกรรมพุโทโธเนี่เดี๋ยวเดียวห้านาทีนี่จิตรวมเลย จิตรวมแล้วก็จะหายกลัวแล้วต่อไปนี้ต่อไปจะไม่กลัวอีกเลยจะรู้ว่าความกลัวมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเองพอหยุดความคิดปรุงแต่งได้มันก็จะหายกลัวดังนั้นถ้าไปนั่งสมาธิไปคนเดียวดีกว่าถ้าถ้าไปได้แต่ถ้ายังกลัวอยู่หรือว่าไม่ปลอดภัยเช่นเป็นผู้หญิง อ, อนี้เมื่อกี้พูดถึงนั่งพระเนี่นะอพร ะ, ะก็ไปคนเดียวได้ ถ้าผู้หญิงบางทีไปคนเดียวมันก็อาจจะอันตรายก็อาจจะไปสองคนอันนี้ก็ต้องใช้เหตุผลหลายอย่างมาพิจารณารวมกันคำถามข้อต่อไปผู้ที่เป็นเพศที่สามสามารถเข้าถึงธรรมจนสําเร็จอรหันได้ไหมถ้าปฏิบัติจริงกราบเมตตาขอท่านอาจารย์ชี้แนะด้วยครับคือเพศที่สามมันก็เหมือนเพศที่หนึ่งเพศที่สองแหละ คือมันมีตันหาเหมือนกันเข้าใจไ้มเป็นแต่ว่ามันเป้าหมายของตันหามันไม่ตรงกับเพศของตนหรือไปไปไปตรงกับเพศของตนนั้นนั่นก็เลยเป็นเพศที่สามไปแต่ความจริงมันก็ติเลตตัวเดียวกันนะก็คือตัวตันหาการมาตันหาหรือการมราคะถ้าปฏิบัติเจริญสุภาพได้มันก็ดับมันได้แต่มันไม่ได้อยู่ที่เพศว่าเป็นเพศที่หนึ่งเพศที่สองหรือเพศที่สาม มันอยู่ที่ตัณหาความอยากและสิ่งที่จะทำลายตัณหาความอยากบรรลุถึงพระนิพพานได้ก็คือทานศีลภาวนาเนี่ยต่ อ, อคำถามว่าครับพอดีอาจารย์ <c oughs> ต อ, อบคำถามเรื่องแม่ชีแก้วครับคือสมมติถ้าผมพี่ารณาสุภะเนี่ยผมก็แค่ไปจำภาพมาคือตอนนี้จะไปหาดูศพที่เขาผ่าจริงๆมันยากมากนะ คือเราดูวิดีโอ y o ยูทูบเวลาเขาผ่าศพแล้วก็จําภาพนั้นมาแล้วก็มาจินตนาการเอาตรงนี้เนี่ยอาจารย์แสดงว่านิมิตนิมิตที่มันเกิดกับร่างกายจริงๆว่าร่างกายเราเป็นอย่างนี้อย่าง น, างนี้มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจะต้องมีก็ได้ที่จะผ่านอสุภระนะครับก็ไม่มีเราก็สร้างมันขึ้นมาได้แล้วก็นึกขึ้นมันขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาภายในใจอันนิมิตที่ปรากฏ ม, มัน็อาจจะเป็นเพราะว่าอาดีตเราเคยพิจารณามา เคยไปดูมามันก็เลยฝังอยู่ในใจพอใจแล้วสงบมันก็โผล่ขึ้นมาถ้ามันไม่โผล่ล้วก็ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่เหมือนกับเราไม่ได้ถ่ายวีดีโอเก็บไว้เมื่อไม่มีวีดีโอเก็บไว้เราก็ต้องไปถ่ายใหม่มาดูบ่อยๆแต่การดูบ่อยๆก็ยังไม่ได้หมายความว่าตัณหาจะตายมันจะตายต้องรอตอนที่มันโผล่ออกมาแต่ตอนนี้มันไม่มีตัณหาดูไปมันก็ไม่รู้ว่ามันตายแล้วไม่ตาย ต้องดูตอนท่านตอนที่มันเกิดการอารมณ์ขึ้นมาแล้วดูซิว่าหยุดมันได้หรือเปล่าด้วยอสุภะตอนนี้เป็นเหมือนการเป็นการเตรียมการไว้เตรียมอาวุธไว้เหมือนทหารต้องเตรียมซ้อมรบไว้ก่อนแต่ข้าศึกศัตรูจริงยังไม่มาเราจึงไม่รู้ว่าเราชนะมันหรือแพ้มันจะรู้ก็ต่อเมื่อมันมาแล้วจะรู้ได้ก็ต้องไปบวชหรือถือศีลแปดศีลสิบ ถ้ามันยังไม่ถือศีลแปดศีลสิบมันยังไปเที่ยวได้มันก็มันก็ไม่มามาทีไรแล้วก็ไปกับมันไม่ได้ไปไม่ได้ส่อสู้กับมันเพราะไม่มีศีลห้ามไวใช่ไหมเช่นคนที่มีภรรยามีสามีถือเพียงศีลห้าเขาก็ยังร่วมหลับนอนกันได้เขาก็ถือว่าเขาก็ไม่ทําผิดศีลอะไรเขาก็เลยไม่รู้ว่าไปพิจารณาสุภาษิตทำไมแต่ถ้าถือศีลแปดนี่เขาจะต้องรู้แล้วว่าอนุ่มหลับนอนกันไม่ได้แล้ว ที่เวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องนึกถึงภาพที่ไม่น่าดูมันถึงยาดับได้ไม่งั้นเดี๋ยวก็ต้องกลับไปนอนกับภรรยาหรือสามีขอบคุณมากครับทางนี้มีปัญหากับเรียนค่ะท่านพระจัต เ, เรื่องภาวะตัณหาอนิยมก็มีปัญหาตรงที่ว่า ต้องการอยากจะไปกราบครูบาอาจารย์ไปถวายสังฆทานไปบ่อยนั้นเป็นความอยากเป็นภาวะตัณหารหรือไม่จ๊ะไม่หรอกอันนี้มันเป็นมรรคไงอยากทําบุญทําทานอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมอยากฟังเทศฟังธรรมนี้เรียกว่าฉันทะฉันทะวิรยิยะจิตตาวิมังสาเป็นมรรคเป็นเครื่องมือที่จะดับกิเลสนอกจากว่ามันมันไม่เหมาะสมกับฐานะของตนนั้นถึงจะเป็นกิเลส เช่นถ้าไปอยู่ในป่าภาวนาปีกวิเวกแล้วอยากจะไปทำบุญอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเป็นกิเลสเพราะว่ามันมาทำลายบุญที่ละเอียดบุญที่สูงกว่าคนที่ไปปีกวิเวกนี้ไม่ควรที่จะออกไปไปรับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปทำบุญเพราะมันทำให้จิตตกต่ำไม่ได้ทำให้จิตสูงขึ้นเข้าใจไหม